พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิพระสูตรที่สิหอิสิคิลิสูตรสูตรว่าด้วยภูเขาชื่ออิศิคิลิพระผู้มีพระภาคประทับณภูเขาชื่ออิสิคิลิใกล้กรุงราชคฤหัสเล่าว่าชื่อของภูเขาลูกต่างๆเคยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแต่ภูเขาอิศิคิลิมีชื่อนี้มาไม่เปลี่ยนแปลง แล้วตรัสเล่าเรื่องพระปัจเจกับพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เฉพาะพระองค์ไม่ได้ตั้งศาสนาขึ้นตรัสเล่าเรื่องพระปัจเจกับพุทธเจ้าประมาณห้าร้อรูปที่อาศัยอยู่ณภูเขานี้มนุษย์ทั้งหลายเห็นแต่ท่านเข้าไปไม่เห็นออกมาเลยตั้งชื่อว่าภูเขาอีศีคิลิซึ่งแปลว่าภูเขากลืนฤาษี แล้วได้แสดงพระนามของพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระองค์ต่างๆมีพระอริ t ธเป็นต้นพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส4พระสูตรที่17มหาจัตตารีสกัดสูตรสูตรว่าด้วยธรรมะหมวดส0สบหมวดใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนาราม ตรัแสดงธรรมะแก่ภิกษุทั้งหลายมีใจความสำคัญเป็นสามตอนคือ 1. ทรงแสดงสัมมาทิฏฐิคือความตั้งใจมั่นชอบที่มีที่อาศัยมีคุณธรรมอื่นๆอีกเจข้อเป็นเครื่องประกอบหรือบริขารคือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบกระทาชอบเลี้ยงชีวิตชอบพยายามชอบ ระลึกชอบ 2. ทรงแสดงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบว่าเป็นหัวหน้าและว่ารู้จักทั้งฝ่ายเห็นชอบและฝ่ายเห็นผิดทรงอธิบายความเห็นผิดว่าได้แก่เห็นว่าทานที่ให้ไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเป็นต้นแล้วทรงแสดงสัมมาทิฏฐิว่ามีสองอย่าง คือที่มีอาสวะกับที่ไม่มีอาสวะชั้นต่ำสำหรับปุถุชนและชั้นสูงสำหรับพระอริยะแล้วส่งแสดงสัมมาทิฏฐิในฐานะเป็นหัวหน้าในการแจกรายละเอียดของข้ออื่นๆ 3. ทรงแสดงว่าธรรมปริยายที่เรียกว่ามหาจัตตารีส ก, กะ หมวด40หมวดใหญ่คือเป็นฝ่ายกุศล20สฝ่ายอากุศล20สบตั้งหลักมรรคเติมสัมมาญาณนะความรู้โดยชอบสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นโดยชอบเป็นสิบกุศละธรรมเป็นอเนกเหล่าอื่นที่ถึงความเกิดมีบริบูรณ์เพราะธรรมะฝ่ายถูกทั้ง1ิบข้อนั้นเป็นปัจจัยจัดเป็นฝ่ายกุศลยี่สิบ ตั้งหลักมิจฉ ต, ตะความผิดมีความเห็นผิดเป็นต้นมีความหลุดพ้นผิดเป็นที่สุดเป็นสิบอกุศลธรรมเป็นอเนกเหล่าอื่นที่ถึงความเกิดมีบริบูรณ์เพราะธรรมะฝ่ายผิดสิบข้อนั้นเป็นปัจจัยจัดเป็นฝ่ายอากุศลยี่สิบ